บ่ายสองโมงบ่ายสองห้านาทีวันนี้รอบนี้เป็นรอบที่สองรอบต่อไปนี้เป็นรอบนั่งสับประงกนะเป็นรอบเป็นรอบนั่งสับประงกอย่าพูดนำอย่างนั้นสิทำไมต้องพูดนำนั่งสับประงก ที่ภาวน า, าหาความสุขความสงบเป็นความสุขความสงบทําให้สุขความสงบให้เกิดสุขอยู่เฉยๆจะไม่สงบต้องต่อสู้กันต้องสอดต่อสู้กับอะไรต่อสู้กับกิเลสและตัณหานั่นแหละพูดไปพูดมาก็ไม่พ้นละ เจ้าตัวการร้ายเจ้าตัวมารร้ายกิเลสส ม, มานเจ้าตัวมารร้ายกิเลสสมานตั้งมันไว้เป็นสู้เป็นคู่ต่อสู้เลยตัวกิเลสสมานแท้ที่จริงกิเลสสมานก็ไม่อื่นไปไหนก็คือความโง่ของใจของเราเองแน่ย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปทําไมโดนเราอดิ คือความโง่ของเราเองเราไม่ฉลาดพอผู้รู้ของเราไม่ใช่รู้มาแบบสารพัดนึกได้หมดทุกอย่างทุกเรื่องมีความสว่างสวัยมาพอเป็นจุดประกายเท่านั้นเองแต่มีสิ่งที่มืดตึ๊บิดตามมาด้วยสิ่งเหล่านี้แหละมันปนเปืเป้อ น, นมาด้วย เกิดขึ้นจากจิตของเราดูไปที่งานงานของเราก็คืองานไม่ฉะมาล้างผู้รู้ของเรานี่เองอยู่เฉยๆผู้รู้ไม่ถูกชะไม่ถูกล้างไม่ถูกซักฟอกไม่ถูกไล่ต้อนไม่ถูกชอนชัยไม่ถูกขุดคุยขุดคน้นผู้รู้ของเราก็เลยไม่ฉลาด ไม่ฉลาดคือโง่กับตัวของตัวเราเองรู้อยู่ฉลาดโยมีความรู้อยู่มีความมีประกายอยู่มีแวววาวอยู่แต่ก็ไม่เต็มรอบแต่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของผู้ที่เห็นความสําคัญเช่นอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านมีช่องมีทางที่จะทําให้จิตของเราสงบระงับได้จากสิ่งที่มีพลังที่สุด ทำให้เราหมุนไปกับวัตระสงสารคือเจ้าตัณหาการมาตัณหาภะวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราไม่ต้องไปแยกมันดอกไม่ต้องไปแยกมันดูไปที่ความอยากย้อนดูไปที่ใจของเราเห็นแค่เรานั่งหัดนั่งดูความอยากของตัณหาในหัวใจของเราปราะกอบไปด้วยสติความความดจดจ่ออยู่มันเป็นธรรมวิจยะ แค่นี้มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเป็นการปฏิบัติธรรมยืนตรงไหนเดินตรงไหนนั่งตรงไหนนอนตรงไหนเป็นการปฏิบัติธรรมจอเข้ามาหาผู้รู้เนี่ยมันไม่สงบมันไม่สงบเพราะตัวนั้นจะตัวมารร้ายนั่นแหละมันไม่สงบมันถึงไม่มีความสุขบางทีก็สงบบ้างไม่สงบบ้างสงบบ้า ง, ง, บบางไม่สงบบ้าง มันจึงมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างเพราะจิตดวงนี้มันเอาทั้งสุขมันเอาทั้งทุกข์มันเอาทั้งดีใจมันเอาทั้งเสียใจดีมันก็เอาชั่วมันก็เอาดีก็เอาชั่วก็เอาไม่ปล่อยพราไม่ปล่อยพอเพะเก็บรวบรวมสิ่งที่เป็นผลิตผลของความดีมากความดีก็มากด้วยเหตุที่มี การเก็บสะสมผลของความชั่วด้วยบางทีลืมเก็บสะสมผลของความดีโดยเก็บสะสมแต่ผลของความชั่วเหลิงไปกับอำนาจของกีเลีกิเลสเลยก่อทุกข์ก่อโทษมาให้กับเราทุกโทษเราดูออกไหมทุกโทษที่กิเลสมก่อให้เราราคะโทสะโมหะสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือต้นตอคือสมุทัยเหตุเกิดของกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง เราดูโลกนี้มันวุ่นวุ่นวายด้วยการแสวงหาด้วยการทำมาหากินด้วยการต่อสู้ด้วยการดิ้นรน ด, ด้วยการฆ่าฟันรันแทงกันก็เพราะอะไรก็เพราะอยากได้มาเพื่อบํารุงบําเรอสิ่งเหล่านี้มาบารุงบําเรอความอยากเหล่านี้ <c oughs> เราไม่เคยสนใจมันเราไม่แต่เก็บสะสมรวบรวมสะสมรวบรวมไม่คำนึกว่าดีไม่คํานึกว่าไม่ดี เก็บหมดความดีเกิดขึ้นก็เก็บความไม่ดีเกิดขึ้นก็เก็บเพราะฉะนั้นเก็บความไม่ดีมากความทุกข์ก็ตามมามากทุกโลภทุกโกรธทุกหลงเรามีความทุกข์จากความโลภไหมมีความทุกข์จากความโกรธไหมจากความหลงจากราค้าตันหามีไหมเราย้อนมาดูกิริยาการของความทุกข์เหล่านี้มันมี บางทีเราไม่รู้จักไ้วยซ้าไปว่าเรามีมันสนุกมันสนุกมันเพลินเพลินด้วยนันธิราคะนันธิราคะสหกตาเพลิดเพลินไปกับความนึกความคิดของตัณหามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประกอบกันที่เรียกว่าสหากตาสหากตะสหกตาตัดตราพิณา น, น, นีเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่า น, นี้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันเป็นแท่งเดียวกันแต่ถ้าเราย้อนมาดูย้อนมาดูก่อนที่จะย้อนมาดูทั้นกล้สงบเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามารวมเข้ามารวมมันได้สงบมันได้มันก็มันก็ลดกิริยาอาการที่มันแสดงมันโดดมันดิ้นมันไม่แสดงกิริยาโดดดิ้นได้มันมีความสุขมันสงบมันมีความสุขจิตเริ่มสงบจิตเริ่มมีความสุข จิตเริ่มมีความผ่องมีความใสที่เราเรียกว่าจิตประพัสสอนจิตประพัสสอนนี่แหละจิตประพัสสอนจิตประพัสสอนไม่ใช่อยู่จิตอยู่ประพัสสอนแลอยู่แล้วกิเลสจรมาจิตประพัสสอนคือเราทำให้จิตได้รับความสงบนี่เองจิตประพัสสอนี่คือจิตยังมีกิเลสอยู่จิตได้รับความสงบอยู่กิเลสจิตยังอมกิเลสเต็มแปร่อยู่ในนั้นนี่แหละคือจิตประพัสอน เราพึพยายามระงับดับกิริยาอาการของของตัณหาเหล่านี้ตัณหามันดับเราก็มีความสุขมีความสุขที่บริสุทธิ์เสียด้วยเพราะมีความสุขที่ไม่เจือด้วยอามิสเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยกับการยินดีการยินร้ายกับรู้กับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสกับเรื่องกับราวกับปัญหากับความยินดีพอใจอะไรทั้งนั้น มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเราพยายามตลมเข้ามาให้จิตของเราได้รับความสงบให้ได้เราจะเจอความสงบจะเจอความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่จะมีคุณสมบัติแค่มีความสงบมีความสุขจะทำให้จิตของเรามีพื้นมีบาทมีฐานแข็งแกร่งแกกล้ามั่นคงมั่นตั้งมั่น เด็เดียวเป็นตัวของตัวอิสระเสรีจากกิเลสเนี่ยความสงบของจิตมีคุณสมบัติย่งังไนแค่ความสุขมันก็เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องอยู่แล้วแหละเพราะจิตสงบจิตมีความสุขเราทำให้ได้รับความสงบลองดูเราจะเบาสบายเหมือนจะเหจะลอยมันสงบมันมีความสุขความสุขเหล่านี้แหละมันเป็นความสุขที่เราทำให้ตัญหาเหล่านั้นมันสงบระงับลงไป วิธีการที่เรานั่งภาวนานี่แหละมันเป็นวิธีการที่เอาธรรมมาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นธรรมให้จิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวอัน น, นี้เพื่อไม่ให้ตัณหามันมาแทรกไม่ให้ตัณหามันมาแทรกถ้าเราไม่ไม่เอาผู้รู้ของเรามาทำงานอัดแน่นเข้าไปแทนที่มันเกิดการหลวมตัวตัณหาแทรกเข้าไปตัณหาแทรกเข้าไป โอกาสที่ทําให้เราหลงเคลิมเพลินไปกับอดีตเพลิ่มเคลิมเพลินไปกับอนาคตเคลิมเพลินไปกับเรื่องราวปัญหาสารพัดเป็นเหตุทําให้เราหลงลืมตัวเองได้อหลงลืมตัวเองพอหลงลืมก็นั่นคือเจ้าตันหานมันมันมาครอบงำแล้วอวิชชามันครอบงำแล้วมันบดบังแล้วมันไม่ทันแล้วตันหามันมาสวมรอยแล้วมันดึงจิตเราไปใช้งานแล้ว มันไปคิดไ ป, ปไปคิดเปน็นเรื่องไปปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิน่นเรื่องรสเรื่องสัมผัส น, นึกคิดปรุงกับเรื่องใดเดี๋ยวก็ได้ความทุกข์ได้ความแปรใจจากเรื่องนั้นจากเรื่องนี้ตามมาอยู่อยู่อยู่อย่างนั้นเลยคนที่นึกมากคิดมากปรุงมากถ้าประสิฐจากสติสัมปชัญญะขาดเหตุผลที่ชอบด้วยธรรมมีความทุกข์มากคิดมากคิดทั้งคืนคิด คิดจนจิตเตลิดเปิดเปิงเอาให้หยุดไม่หยุดจนจิตเครียดคร่าเครียดคร่าเครียดรีรีขวางขวางอยู่ในนั้นโอ้ทุกข์แล้วเกินความทุกข์เกิดจากความเครียดเหล่านี้เกิดจากอะไรเกิดจากเราเนึกคิดแบบไม่มีเหตุผลไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลแต่ถ้าเรามีเรามีความสงบเป็นพื้นเป็นฐานเราใช้สติกําหนดจดจ่อพิจารณาเป็นหลักปฏิบัติ ทำใเราได้รับความประโยชน์จอไปที่ความรู้จอไปที่ปูรู้จอละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมันเหมือนกับว่าไม่ให้อะไรมันขยับอะไรขยับขึ้นมาจับอะไรขยับขึ้นมาจับอะไรขยับขึ้นมาจับจับจับจับจับจับกิริยาที่เราทํำนี่มันเหมือนกับว่ากิริยาก่อนมันถูกกิริยาใหม่จับจับ คือชะลอคือหยุดกิริยาใหม่มันมันพาหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุมันหยุดทิ้งนิ่งขยับไม่ได้มันถูกจับไม่มีที่จะไปความนึกคิดขณะของจิตของเราสติปัญญาในจิตของเราเราทําอย่างนี้ได้นั่ยแหละเป็นการฝึกฝึกความเร็วฝึกความละเอียดถ้าเราไม่มีความเร็วไม่มีความละเอียดอย่างนี้เนี่ย ให้จิตสงบสงบไม่ได้ไม่ทันมันมันเร็วกว่าเราตัณหามันแทรกมาเร็วกว่าเราตัณหาคืออะไรเดี๋ยวยินดีกับอารมณ์นั้นเดี๋ยวยินดีกับอารมณ์ยยนณี้เดี๋ยวยินร้ายกับอารมณ์นั้นเดี๋ยวยินร้ายกับอารมณ์นี้บางทีไม่ถึงขั้นยินดีกับยินร้ายก็พลอยนึกคิดไปเฉยๆทาให้เราไม่อยู่กับที่จิตของเรามไม่ได้รับความสงบ ความจะเอิบอิ่มปีติยินดีมันก็เกิดไม่ได้เพราะเราวางจิตเราไม่ถูกเราตั้งจิตของเราไม่ถูกเรายังปล่อยให้ตัวที่จะมากาะกวนจิตของเรายังมากกอะกวนได้อยู่จิตของเราสงบไม่ได้หาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้จับอารมณ์เดียวให้เรานั่งภาวนาไปจับอารมณ์เดียวฟังไปด้วยเนื้อหามันเกาะเราก็เกาะ ถ้าเนื้อหาไม่เกาะเราก็ตั้งใจภาวานาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสัมมาอรหันก็ว่าไปพองหนอยุกหนอก็ว่าไปพองหนอยุกหนอนี่มันก็เป็นหลักมหาสติ <Alles. S 2> สอพองหนอยุกหนอมันก็เป็นหลักมหาสติสัมมาอรหันถ้าเราเข้าใจมันก็เป็นทั้งสมถะมันก็เป็นทั้งวิปัสสนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธถ้าเราเข้าใจ มันก็เป็นได้ทั้งสมถะมันก็เป็นได้ทั้งวิปัสนาเราใช้อารมณ์ของสมถะเนี่ยใช่ไปใช่ไปใช้ไปใช่ไปพอเราหมุนขยับไปเต็มที่เราใช้อารมณ์สมถะนี่หมุนกลับเป็นวิปัสนาสิ่งที่เป็นอารมณ์ของใจทั้งปวงทั้งมวทงนทนั้งภายนอกทั้งภายในเป็นอารมณ์ของวิปัสนาทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับกิริยาที่เราเอามาทา เราเอามาทําเพื่อพิจารณาเพื่อพลิกแปลงเพื่อสาวหาเหตุหาปัจจัยของมันมันเป็นเรื่องของวิปัสสนาแต่ถ้ากําหนดจุดจ่อให้จ่อให้นิ่งอยู่ก็ที่ไม่ให้มันกระเพื่อมไม่ให้มันล้ะลอกอไม่ให้มันขยับอันนั้นเป็นสมถะให้ันให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันอยู่กัที่อันนั้นเป็นสมถะคือสงบ ในขณะที่สงบมันก็สร้างสร้างรกสร้างรากสร้างสร้างสร้างพลังให้กับตัวมันเองความสงบสร้างตัวสร้างพลังให้กับมันเองเป็นพลังของจิตจิตที่สงบเป็นจิตที่มีพลังนะจิตมีพลังจิตมีอนุภาคบางคนเสกเป่ายังขลังพวกกระทาคมเขาก็เสกเป่าใช้อํานาจของความสงบนี่แหละความสุข บางทีก็มีริบมีดีมีอภิญญาอันนี้แหละคือต้นต่อของอภิญญาความสงบนี่แหละคือต้นต่อของอภิญญาเอาอภิญญามาจากไหนถ้าไม่เอามาจากความสงบไม่เอาไม่เอามาจากพลังของจิตเอามาจากไหนความสงบของจิตนี่แหละเป็นพลังของจิตเป็นอภินญาอภิน ญ, ญาแปลว่ารู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้แบบนอกเหตุเหนือผลว่างั้นเถอะ รูปแบบเราตามไม่ได้รูปแบบทําให้เราทึ่งเงี้ยเหมือนคนหายตัวได้แวบเดียวหายตัวได้เงี้ยนยกตัวอย่างเหมืนมนหอนฤาษีสมัยก่อนท่านหอบได้เงี้ยกำมาเทียบดูกับเราเนี่ยกระพือเท่าไรรู้ลองหัดกระพือลองไปโดดสูงๆหัดกระพือให้มันลอยมัดูทำยังไงก็ทําไม่ได้ท่านเพียงแต่เอาจิตระลึก นี่มัสำเร็สำเร็จด้วยจิตนี่แหละเป็นมโนโมยิทธิสำเร็จด้วยจิตสมัยพุทธกาลเขาฝึกถึงขั้นอรู ป, ปรสมาบัติพิจารณาวิญญาณพิจารณาอากาศพิจาราวิญญาณพิจาราผู้จะดับสัญญาดับเวทนาจิตละเอียดถึงขนาดนั้นจนสามารถหายตัวได้ดำดินบินบน เหเหินดินอากาศได้นี่คือพลังของจิตเท่านั้นคือพลังของจิตก็ในตำนานท่านก็พูดเอาไว้ในตำนานก็พูดเอาไว้พระสาวกสององค์เดินไปเห็นพราหมณ์เขาทดลองนะพราหมณ์คนหนึ่งเขาเขาไปได้ไม้จันทร์มาได้ไม้จันทร์มาเขามากลึงกลึงทําบาทบรรจุบรรจุ อพอชนะเต็มบาทนั้นนู่นเอาไปห้อยไว้สูงประกาศประกาศหาพระอาหารหันต์ถ้าความหมายของเขาเนี่ยเขาคงค่อยใจว่าพระอาหารหันต์เนี่ยต้องห่ อ, อได้นะความหมายของเขาเนี่ยยุคนี้สมัยนี้เดี๋ยวนี้มีพระอาหารหันต์ไหมถ้ามีขอให้ห่อไปเอาถ้าไม่ห่อไปเอาลงมาให้เราเห็ น, นเราไม่เชื่อโอ้วางขนาดนั้นนทีนี้พระสององค์ เราก็ลืมแล้วแหะอง์ไหนกับองคไหนมาลูกแต่องค์ที่เหาะขึ้นไปเป็นพระอะไรพระปินโทรัอ่าพระปินโทรหรืออะไรเนี่ยเหาะขึ้นไปเอามาเอ๊สหายถ้าเปิดเราปล่อยให้เขาท้าทายอยู่อย่างนี้เราไม่ตอบโต้เนี่ยเขาจะดูถูกว่าศาสนาของเราเนะี่ยเปล่าไม่มีสิ่งอัศจรรย์ไม่มีของดีพร้อง ด, องดีวิเศษวิโสในท่สุดก็เลยตกลงก็เลยไปเอาเหาะไปเอาเหาะไปเอาไม่จันทร์ เอกไปเอาบาดไม้จันปลดไม้จันลงมาตามเงื่อนไขของพราหมันเขาถึงเขาถึงยอมกราบยอมไหวจากนั้นมาพระโอ น, นิกก็เลยดังมา ก, กเลยไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาถามพระองค์ก็เลยทรงตำหนิไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยไปแสดงทิศแสดงเดชพราหมณ์ก็เลยได้ทีเลยตอนนี้นี่เห็นไหมพระสมณะโคดมเนี่ยประกาศไม่ให้พระสาวกแสดงทิศแสดงเดชแล้วพวก บกบันดาคณาจารย์ทั้งหลายเรานั้นได้ทีแล้วตอนนี้เขาจะแสดงวิธีเพื่อที่จะทําริฏฐิทำเดชบ้างแหละเป็นการแข่งขันกันคืออวดทั้งๆที่จะของไม่มีอะไรจะอวดเห็นไหมที่สัพพุระไว้ที่มีการพระพุทธเจ้าพวกนั้นเขาประกาศประกาศท่าทายเขาประกาศท้าทายาประกาศท่าทายพระพุทธเจ้าท่านก็ท่าน ก็เลยส่งประกาศทรงประกาศว่าพระองค์จะแสดงอิทธิปาฏิหารยมกปฏิหารนั่นนะที่การแสดงยมกปฏิหารจะแสดงยมกปฏิหารที่ต้นมะม่วงที่ต้นมะม่วงพวกพอพวกชีพอพวกนักบวชนอกศาสนาเขาได้ยินเขาก็เลยไปเที่ยวตักต้นมะม่วงทิ้งหมดเขาไปทําตรงนั้นทําตรงนี้ แ ต, แต่งเพื่อจะทําเป็นที่แสดงอิทธิปาฏิหาริอะไระอะไรเนี่ยพทุทธเจ้าเราไปใช้ใช้พระองจะแสดงอิสริปาฏิทิหารกับต้นมะม่วงพอวันนั้นเนี่ยนายอะไรเนี่ยไปได้ผลมะม่วงมาผลหนึ่งมาถวายพทุทธเจ้าให้พระนรนปองให้แล้วมาสเสวยเสวยเสร็จแล้เ ว, ลวเหลือเหลือสเสวยเสร็จแล้วเหลือมาเม็ดเหลือหล้อมะเละมะเล็ดมะม่วง เลยล้างล้างมือล้างประหัตเน่ะเอามือใส่ลงไปบรรดาให้ต้นมะม่วงนะั่นโตปั๊บขึ้นมาทันทีอืบอกว่าเราจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่ต้นมะม่วงนี่แหละเนี่ยพวกพวกบรรดาเจ้ารัติทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดโอกาสแหละเพราะต้นมะม่วงที่ไปฟันทิ้งหมดทิ้งหมดไปแล้วแต่มะม่ว ง, งต้นนี้ก็เกิดขึ้นได้ด้วยฤทธิ์ด้วยปาฏิหาริย์อีกเหมือนกันเนี่ เห็นปรกากฏทันตาจากนั้นแล้วก็พระองค์ก็แสดงจะมกปาฏิหารนี้พวกเราอยากดูรายละเอียดก็ไปหาดูเอาสิ่งวันนี้ก็ไปจากฤทธิ์จากเดชจากอภิญญาจากสมะบัติจากความรู้เหล่านี้นี่เราพูดถึงคุณสมบัติของใจคุณสมบัติของใจที่สงบมันเป็นคุณสมบัติของใจที่ไม่มีกามาคุณในนั้น เป็นคุณสมบัติของใจที่คลายกามออกแล้วมันเป็นจิตใจที่เหมาะที่ควรที่จะเอาเอามาขัดมาสีให้เกิดคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปถ้าจะเทียบก็ไม่ต่างอะไรกับไม้ไ ม, ไม้ไม้มันแห้งแล้วสมควรที่ที่จะเกิดไฟได้ถ้าหากเราเอามาสีกันพร้อมที่จะเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้แต่ถ้าทําไม้สดๆไม้ชุ่มเลยอย่างและยังแช่อยู่ในน้ําอีก อามสีเกิดไฟมันก็เน็ดเหนื่อยปล่าพระองค์ทรงตรัสเน็ดเหนื่อยปล่าเหน็ดเหนื่อยปล่าเราจึงเห็นความสําคัญของความสงบสิ่นห้าเราตั้งใจภาวนาให้ได้รับความสงบได้ไหมได้ศิ่นแปดเราตั้งใจภาวนาให้ได้รับความสงบได้ไหมสินสิบสิ่นสองร้อยยี่สิบเจ็ดเราตั้งใจภาวนาให้ได้รับความสงบได้ไหมได้ด้วยเหตุที่เรา หาวิธีหามุมสงบแล้วก็เร่งให้จิตกำหนดจดจอ่อมิสติมิสัภยัญยะอยู่ในนั้นอย่างพวกเราเราก็ยึดพุโทโธพุธโทโธตามหลักที่ครูบาอาจารย์สอนพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแทนที่จะให้จิตของเรามันอยู่นิ่งเฉยเอาจิตมาทำงานทำงานด้วยมีความเจตนาทางานด้วยมีความ <c oughs> จงใจทำงาน ในเมื่อเราตั้งใจเต็มที่เต็มเปี่ยมมันไม่มีช่องว่างที่จะให้ตันหามันแทรกเข้าไปได้จิตก็จะเริ่มสงบจิตมันก็จะเริ่มห่างออกจากกามเพราะจิตเริ่มห่างออกจากกามจิตก็จะเริ่มสงบจิตจะเริ่มสงบเนี่ยกามก็คือความนึกคิดของของจิตนั่นแหละจิตมันนึกคิดเรื่องโรคมันก็เป็นกามโรคเสียงทิ่รดพลังงานะเป็นเรื่องของกาม กามคุณกามคุณกามคุณกามเหล่านั้นมีค э ุณไหมมีคุณจนท่านเรียกว่ากามคุณกามคุณเพราะร่างกายของเรามันก็เป็นก้อนกามร่างกายของเรานมันเป็นก้อนกามมันต้องการสิ่งเหล่านั้นมันมีตามันมีมันมีตาสลับไปเห็นรูปแต่ว่ามันเป็นทวารสลับใจออกไปเห็นรูปมีหูสลับได้ยินเสียงแต่มันเป็นช่องสลับใจ ออกไปได้ยินเสียงนะมันเป็นการทำงานประสัะสานกันระหว่างรูปประทักับ น, นามธรรมในกายของเราในใจของเรามันทำงานอยู่อย่างนี้เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นธรรมารมสัมผัสก็คือกายะสัมผัสการสัมผัสที่กายก็คือรู้รู้ความรู้สึกที่กายกายกายะสัมผัสในที่นี้หมายความว่าหมายความว่ากายะประสาท นะเราสัมผัสไปตรงไหนในส่วนของร่างกายของเราเราได้รับความรู้สึกอันนี้เป็นกายประสาทเป็นกายประสาทพอสัมผัสตรงไหนปับ๊บจิตรับทราบจิตรับรู้นะมันเป็นสัมผัสมันเป็นผัสสะไปสัมผัสกายประสาทไม่ไม่ใช่แบบไปจับถูกกายทั้งดุน่นทั้งก้อนแต่จับตรงไหนก็รู้สึกตรงนั้นนับตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงปลายผมนั่นแหะสัมผัสตรงไหนรู้สึกหมด เพราะมันเป็นอวัยวะก้อนเดียวกันกับกายอันนี้ทั้งหมดนี้แหละท่าเรียกว่ากายยับประสาทกายยับประสาทผัสสะการไปสัมผัสนะเป็นผัสสะสะัพพ์กายกายยับประสาทปุถะปุพะปุถะอารมณ์ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็อารมณ์นึกคิดในใจนึกคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสมันเป็ น, ป น, ปนอารมณ์ข้างใน ถ้าเรียกธรรมารมณ์ธรรมอารมณ์มันเป็นอารมณ์ในภายในการที่เรามาพูดหลักธรรมข้อธรรมเหล่านี้มันเป็นของมีอยู่ในกายของเราเราไม่ได้ไปมันเป็นปไตรปิฎกข้างในในกายในใจของเราไม่ใช่อยู่ข้างนอกประโจปัจไตรปิกข้างนอกเราดูเราต้องใช้ความนึกความคิดไคร้ครวนเพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจ แต่ก็ชี้มาที่ข้างในเราไม่ใช่หลักกรรมฐานนี่แหละมาพิจารณาดูข้างในนี่แหละให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้กายก็คือกายเวทนาก็คือเวทนาจิตก็คือจิตธรรมก็คือธรรมที่มีเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ด้วยกันนี่แหละ เ, เราทําให้จิตใจของเราได้รับความสงบเป็นสมถะตั้งใจทำ ม, มันมันหลุดออกไปหลอกดึงเข้ามาหลุดออกไปหรอกดึงเข้ามาหลุดออกไปดึงเข้ามา การที่เราทําแต่ละครั้งมันมีวิบากนะเพราะเราเอาทำนำําทําเป็นทำเอาทำมาทํากรรมกลายเป็นวิบาสเป็นวิบากของธทำแต่ถ้าเราปล่อยให้กิเลสมันพารำลึกเราคิดกิเลสมันพาให้เราทําเป็นกิเลสเป็นกรรมคำว่กรรมในที่นี้หมายถึงการกระทําการกระดุกกระดิกพลิกแผลงของกายของรูปของของของกายของวาจาของใจ เป็นกายกรรมเป็นวิจีกรรมเป็นมโนกรรมคือกิริยาของกายของวาจารของใจท่านเรียกว่ากรรมกรรมคือการกระทํากรรมคือการกระทํากิเลสพาธรำกิเลสกรรมวิบากกรรมคือการกระทํากิเลสพาธรรมผลเป็นเป็นผลเป็นผลรายได้ของกิเลสลุติยาท่านสอนให้เราเอาธรรมมาเจริญเป็นธรรมเป็นกรรมเอาธรรมมาทํากรรมเป็นกรรมเป็นวิบาก ผลรายได้เป็นผลของธรรมในใจของเราก็มีมีผลสองผลอยู่เลยผลของธรรมกับผลของกิเลสผลของธรรมกับผลของกิเลสผลของกิเลสคือความทุกข์ผลของธรรมคือความสุขเกิดจากการไม่ยึดไม่ถือผลของธรรมเกิดจากการรู้เกิดจากการเข้าใจเกิดจากการไม่ยึดไม่ถือเช่นอย่างสมาธิธรรมเกิดจากความสงบสงัดในภายในทําให้เรามีความสุข แต่ถ้าเป็นเรื่องของเกลกเนี่ยทาให้เราวุ่นวุ่นวายฟุ้งซ่านรําคาญอ่าฟุ้งซ่านรำคาญแค่ฟุ้งซ่านรําคาญนี่กูเราก็แก้ไม่ตกหละแก้ไม่ตกบางคนนี่หมดยาเป็นกำกๆหละก็จะหมดฟุง้งหมดรําคาญบางคนแก้ไม่ตกเป็นประสาทเริ่มเป็นเป็นนักนาข้าวนุ่นประสาทร้อนประสาทร้อนก็คือบ้าบ้ า, บาไปเลยแหละ นั่นคือกิเลสมันพาเรานึกเราคิดเราปรุงปรุงจนฟุน้นฟุง้งปรุงไว้มันห่วงหน้าห่วงหลังมันวิตกมันกังวลห่วงนั้นจะได้ห่วงอันนั้นจะเสียอกลัวนั้นจะหลุดกลัวนี่จะหายกลัวผิดหวังความกลัวทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นอะ่ะมันกลัวมันผิดหวังทั้งหมดทั่นแหละด้วยเหตุที่เราไม่กลัวและเราก็ไม่ต้องหวังมันถึงจะไม่ผิดหวัง รับะไรที่เรายังหวังอยู่เราต้องผิดหวังเราไม่หวังเราจึงไม่ผิดหวังแม่รู้สึกว่าพวดง่ายเหลือเกินมัน้งเราไม่หวังเราจึงจะไม่ผิดหวังแต่มันเป็นมีข้อเท็จริงอยู่ในนั้นเราไม่ต้องหวังแต่ขอให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นเหตุเพื่อคุณงามความดีให้เราตั้งใจทำอันนี้เป็นเหตุเพื่อกุศลให้เราตั้งใจทำ อันนี้แหละเป็นเหตุเพื่อความสงบให้เราตั้งใจทำพุทโธพุทโธพุทโธมีสติกำลังจดจ่อประคองพุทโธหลบประคองพุทโธหลบประคองจากพุทโธหนึ่งไปหาอีกพุทโธหนึ่งพยายามประคองแม้มันเกิดช่องทำความรู้รู้ตลอดพื้นไปหาอีกพุทโธหนึ่งจากพุทโธหนึ่งไปหาอีกพุทโธหนึ่งกับพื้นตลอดพุทโธ พุทโธไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้มันเกิดช่องเกิดช่องไม่ได้เกิดช่องตัณหาแทรกเกิดช่องจิตใจของเรามันเล็ดลอดออกไปตัณหามันดึงออกไปแล้วพุทโธประคองพุทโธประคองเพราะเวลาจิตมันสงบเนี่ยเรามาทดสอบลองดูว่าเวลาจิตของเราสงบเราจะว่าทำโมเราจะว่าพุทโธเราจะว่าทำโมเราจะว่าสังโฆมันต่างกันไหม ไม่ต่างกันเลยท่านจะว่าพองหนอยุคหนอมันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยท่านจะว่าสัมมาทังสัมมาทังมันก็ไม่ต่างกันเลยเพราะผู้ผู้ว่านั้นคือใจดวงเดียวจิตดวงเดียวเป็นผู้ว่าจิตดวงเดียวเป็นผู้ดำริจิตดวงเดียวเป็นผู้วิตตุวิตกแปลว่าตรึกแปลว่านึกแปลว่าคิดพุทโธประคองพุทโธพระคอง ตัวประคองเป็นตัววิจารณ์วิตกวิจารณ์วิตกก็คือตริตรึกนึกคิ ด, ค, ดคิดพุดโธนี่เลยเวลามันทำขึ้นมาตีไหลเมื่อไหร่เวทนาสัญญาสังขารกับวิญญาณมันมาพร้อมกันมันประกอบกันอยู่ในนั้นอันนี้เป็นกิริยาข้างในที่เราควรรู้ควรเข้าใจเอาไว้ให้มันอยู่ในนี้ให้มันสงบอยู่ในนี้เนี่ยตั้งใจพุทโธพุทโธให้มัสงบอยู่ในนี้ ตั้งใจพิจารณาให้เกิดปัญญาให้เกิดปัญญาตั้งใจให้สงบพิจารณาให้มันได้รับความสงบเราทำเราทาอยูน่นี้ตั้งเจตนาอยู่อย่างนี้ไม่อย่างนั้นแล้วกิเลสมันดึงจิตของเราไปใช้มันไปใช้ใช้ใช้ไปด้วยเหตุที่เราปล่อยเป็นวันๆปล่อยจนลืมเื่องลืมตัวปล่อยจนมันสร้างรกราก เป็นรวงเป็นรังเป็นเมืองขึ้นของมันทั้งหมดเวลาเรามาฝึกหัดดัดแปไรมันยากมากมันยากมากเกืเหมือนอย่างคนที่ไม่เคยฝึกเคยหัดนี่แหละเวลามาทำนี่จิตใจแข็งกระด้างเพราะมันไม่เคยมีทุนเดิมไม่เคยฝึกผัดไม่เคยดัดแปลยไม่เคยขัดไม่เคยเกาเหมือนอย่างของอะไรที่เราปล่อยรกรงรังอยู่อย่างนั้นเราไม่ทําความสะอาดมันก็รกอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราทําความสะอาดเป็นประจำของเรานั้นก็มีความรกนิดหน่อย แต่ตั้งใจดูแลรักษานักหน่อยมันก็สะอาดขึ้นมาเราต้องเราต้องการให้สงบเราก็กำหนดจอปักจิตมันก็สงบเขึ้นมาอยู่กับอารมณ์มันไม่ทิ้งคำบริกรรมอยู่กับวิตกวิจารณเดี๋ยวสนามมันก็มีปีติเดี๋ยวสนามมันก็มีความสุขทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนมันทิ้งวิตกวิจารณมันเหลือแต่ปีติเหลือแต่ความอิ่มเอิบจิตของเราก็ไม่ไปเราไม่ต้องดำบุตรจิตของเราก็ไม่ไป เพราะมันอิม่มมันอิ่มอยู่กับอารมณ์นั้นแหละอารมณ์ที่เราดำริมันอิม่มเราสงบอยู่แค่นี้เราก็มีความสุขมีความสงบมีความสุขเป็นองค์ฌานนะเป็นฌานที่หนึ่งเป็นฌานที่สองนะไม่ใช่ธรรมดาน ะ, ะทิ้งวิจดวิโตทิ้งวิจารก็คือทิ้งคําบริกรรมทิ้งคําบริกรรมทําไมจิตของเราจะสงบหลวงตาสอนบอกว่าอย่าทิ้งคําบริกรรม ทำไมจิตของเราจะสงบทำไมจิตของเราไม่สงบอย่าทิ้งคําบริกรรมคําบริกรรมก็คือใช้สติกาหนดจดจอ่อพิจารณาประคองจิตของเราอยู่นั่นแหละในขณะที่เราปรุงยับยับยับพุบโทโธพุโทโธพุทโธมันรวมกันอยู่ในนั้นหมดรวมกันอยู่ในนั้นหมดนี่แหละเป็นคําบริกรรมพอเราบริกรรมไปบริกรรมไปเพราะมันอิ่มมันก็ทิ้งคําบริกรรม ทิ้งกรรมบริกรรมเราสังเกตเห็นว่ามันไม่ไปไหนจิตมันสงบอยู่กับที่มีความสงบมีความสุขมีความเอิบอิ่มมีความพอเป็นพอไปพออยู่มีความอบอุ่นโอ้รู้สึกมีพลังรู้สึกได้แรงนี่คือความสงบจิตทิ้งวิตกจิตทิ้งวิจารณแต่จิตไม่ไปไหนเวลาเราทําใหม่กำหนดกำหนดปั๊บมันก็เข้าเข้าล็อกเดิมกําหนดปั๊บมันก็เข้าล็อกเดิมเพราะจิตมันเคยเข้ามาแล้ว กนดั๊บมันก็เข้าล็อกเดิมแต่ต้องผ่านการฝึกถ้าไม่ฝึกไม่เป็นเราทำจิตให้ได้รับความสงบเสร็จแล้วเรามาเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาเราจะมาว่าผองหน่อยิบหน่ อ, นอก็ตามเราจะมาพิจารณากายก็ตามราจะมาพิจารณาเวทนาก็ตามมันชัดเกณฑขึ้นมาทำไมาถึงชักเกณฑขึ้นมาก็เพราะว่า จิตของเราสงบเราเอามาทํางานอยู่ก um. ับสิ <Now> ่งเดียวเรื่องเดียวมันถึงจะสงบได้เมื่อก่อนนั้นเราจับมาพามาพุทโธกุทโธก็ส่งไปนู้นกุทโธกุส่งไปนู้นก็ส่งออกไปมันไปยังไงมันไปได้เร็วเพราะวิญชามันคลุมปั๊บปั๊บหายไปแล้วอวิญชามาครอบงําหัวใจของเราปั๊บเงียบไปแล้ววิญชาครอบงําทีไรเมื่อไร่สติของเราดับ มื่นไปเลยสติขาดความรู้สึกตัวสัมผัชัญนะก็ขาดสติก็ขาดกิเลสมันเอาไปฉลุ่มแลวอริชามันเอาไปฉลุ่มแล้วโมหะเอาไปฉลุ่มแล้ไปนึกไปคิดไปปรุงตามใจชอบของมันไปนึกไปคิดไปปรุงเท่าไหร่หาความสมเท่าไหร่ไม่เจอไม่เจอเพราะอันนั้นเป็นเนื้อเป็นหนังของกิเลสกิเลสเอาไปปรุงไปนึกไปคิดทั้งวันคิดดิบของดิบร้องดีขนาดไหนก็ตาม เป็นอาหารของกเกลเ่อนทั้งนั้นไม่ใช่อาหารของทมอาหารของทมก็คือกุทโธพุทโพโทโธอาหารของทมอาหารของใจนี่แหละคืออาหารของใจแท้ๆอาหารของใจไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสโปรตัที่เรานั่งปรุงนั่งนึกนั่ ง, ง, งคิดทั้งวันเป็นอาหารของใจไม่ใช่นั่งปรุงนั่งนึกนั่งคิดทั้งวันไม่มีอิ่มไม่มีพอแต่ว่าให้มาอยู่กับ คำบริการพุดโธพุทโธอย่างเดียวเดียวอิ่มเดียวพอเดียวหยุดในนั้นมีความสุขมีความเบิกอิ่มมีความเบิกบานแช่มชื่นเบิกบานมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีชริมีมงคลมีความพออยู่พอกินอยู่ในนั้นหมดแค่นี้แล้วก็มีพลังมีกําลังเสร็จแล้วเราต้องการเอาความสมบของเรามาทํางาน มาพิจารณาวิปัสสนาก็เห็นแจ่มแจ้งเห็นชัดเจนคือมันทันมันทันพิจารณาไปได้ยาวเท่าไหร่สามสิบนาทีมันก็ทันทุกขณะพิจารณาได้หนึ่งชั่วโมงมันก็ทันได้ทุกขณะจนพิจารณาได้ต่อเนื่องทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนกลายเป็นว่าสมถะนุนวิปัสสนาวิปัสสนาหนุนสมถะอันนี้อะไรครับได้วิปัสสนาวิปัสสนา ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนท่านบอกว่าเมื่อจิตเราสงบแล้วให้ยอกอระลมขึ้นสู่นิพพานาก็คือมาพิจารณาหลักมหสติปัฏฐานนี่แหละมาพิจารณากายมาพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเพื่อทำลายความหลงเพราะเราหลงยึดกายเราหลงยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณทั้งหมดนั้นเป็นกองสังขารรูปกองสังขารรูปกองสังขานรขา น, นามรวมไปแล้วเป็นขันธ เราหลงกลองสังขารของเราเองหลงหรือไม่หลงถ้าทําไม่หลงเราก็ต้องมายึดด้วยเหตุที่เรายึดเราจึงหลงหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงอิจฉาทิษยาพยาบาทหลงยึดถือว่าเป็นตัวว่าเป็นตน ต, ต้องเราต้องเราต้องเราหลงหรือไม่หลงหลงหอล ง, ลงอันนี้แหละคือนนอําไรก็ความหลงเราพิจารณาถึงยังไงมนถึงจะไม่หลง ถึงจะเอาสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตของเราได้ก็พิจารณาหาหลักความเป็นจริงของมันั่นแหละโดยที่มีจิตมีจิตที่อิ่มพอมาพิจารณามีสเสบียงพอมีน้ำหนักพอถ้าเปิดถ้าเปิดเป็นรถก็มีน้ำมันพอถ้าเปิดอาวุธถ้าเปิดเป็นมีดเป็นจอบมีความคมพอเป็นสว่านเป็นอะไรอย่างอื่นก็มีความแหลมพอเนี่ย ทำงานก็ได้ผลทำงานไม่ได้ผลเราก็รักษายอยแบบนี้ทำอยู่อย่างนี้ตลองอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นหน้างานที่เราพูดขึ้นมา น, นี่เป็นหน้างานหน้างานที่เราตั้งใจทำขยเยอรกันอยู่แนละ้วขยเอรกันไปขยเยอรกัน er มาขยเยอรกันไปขยเยอรกันมาจากคำที่ครูบาอาจารย์นั้นว่าไม่ทิ้งคำบริกรรมแม่เป็นคำสั้นๆมาทิ้งคำบริกรรม ตอนไหนขณะไหนที่เราไม่สงบนั่งปรุงฟงซาเนเพราะอะไรเพราะเราทิ้งคําบริกรรมนะเพราะเราทิ้งคําบริกรรมไม่สงบคําบริกรรมบริกรรมอยู่กับอา ร, อรมณ์อันเดียวจิตก็จะสงอบอยู่กับอารมณ์อันเดียวพิจารณาขยับดูขณะของจิตของเราดูอารมณ์ของจิตอารมณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป <het S 2> พิจารณาอารมณ์ที่เป็นรูปอารมณ์ที่เป็นเสียง บางทีไม่ได้ดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามเป็นจริงก็มาหัดหัดแยกหัดแยกหัดไล่เนี้ยเนอย่างมาหัดแยกแยะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนี่ยอันนี้คือการทางานหัดท้งานในภายในหัดพิจารณาแยกแยกกรรมฐานข้างในได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสนาคือความสงบนั่นแหละสงบหนึ่งคือสงบยังกาเริบได้สงบอันหนึ่งคือสงบ กำเริบไม่ได้สงบแบบสมสถะคือสงบแบบจิตยังยังต้องกำเริบได้สงบแบบวิปัสนาคือสงบแบบเสียดราบขาบกำเริบไม่ได้อถ้าเป็นตอไม้ก็ดึงออกมาทั้งรากทั้งเหงารากแก้วรากฝอยรากอะไรดึงออกมาแลุลดออกมาหมดตายหมดทั้งต้นอคือสงบราบขาบกว่าจะเห็นรากแก้วรากฝอยอื ก็จะจุดออกมาได้ต้องใช้พิธีการ ท, ที่ที่สันติ ว, ว่าปัญญาปัญญาพิจารณาอะไรพิจารณาพิจารณาไปพิจารณามาเห็นความโง่ของตัวเองเห็นความหลงของตัวเองเห็นเหตุเห็นปัจจัยของตัวเองเดี๋ยวนี้เราอมเหตุอมปัจจัยอยู่ในนี้แต่เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นไม่ได้ฉลาดไม่พอรู้ไม่พอเราโง่เราตีบตันเราเองเราทํางานน้อยเราขัดเกล่าวน้อย เรามีความรู้นอ้อยมีความสวานน่างน้อยขัดเกลาวไม่พอเพราะฉะนั้นทำให้มากจเจริญให้มากทาให้มากจเจริญให้มากอาต่อไปนั่งภาวนาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จแล้วมีปัญหามีอะไรก็คุยกันได้ต่อไปตั้งใจทำให้ใจได้รับความสงบอย่างเดียวนะ ตอนนี้ไม่ต้องฟังข้างนอกเลยฟังข้างในไม่ทิ้งคำบริกรรมนะอย่าลืมนะอย่าทิ้งคำบริกรรมนะที่คำบริกรรมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไปจนสามโมงครึ่งเราจะนั่งราวนาไปจนสามโมงครึ่งอีกประมาณห้าิบนาทีเราผ่านเวทนาสู้กันสะหน่อยตะลุมบอลกันสหน่อยนะเราผ่านเวทนาตะลุมบอลกันสัหน่อยเราไม่เอามาเป็นของเราเราก็ดูได้แต่เราไม่เอามาเป็นของเราเราดูไม่ได้ทนไม่ได้ ตั้งใจนะต่อไปนั่งเงียบเสียงแล้วไปจนกว่าจะถึงบ่ายสามครึ่งอีกประมาณเกือบห0สบนาทีไม่มีอะไรจำเป็นไม่ออกข้างนอกและอีกอันนึงไม่มีอะไรจำเป็นห้ามสง่งออกนอกไม่งั้นไม่สงบ ห้ามนั่งห้ามนั่งสัพปพปงกห้ามนั่งสัพปพปงกด้วยนะงกงกงกห้ามได้ใครแน่แล้ว